วัดนี้จยากแสดงธรรมเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พูดมาในเรื่องของขันทั้งห้าประการได้แก่ ก, กองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารซึ่งในสังขารนั้นได้กระจายตัวเองออกไปตามสถานะ แบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลา ง, ก ล, างกลุ่มที่เป็นกุศลและกลุ่มที่เป็นอกุศลอันที่จริงในกลุ่มที่เป็นอกุศลนั้นแต่นําไปขยายอธิบายออกไปตามขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่ว่าด้วยนิวรณ์มายถึงการให้ บุคคลได้ศึกษาถึงสภาพจิตที่ปรากฏอกุศลขึ้นในขณะนั้นๆอกุศลขได้ปรากฏแก่จิตก็รู้ตามความเป็นจริงในขณะเดียวกันปัญญาก็มองเห็นโทษของอกุศลที่แม้จะเกิดขึ้นคุ้มรุมจิตประกอเกิดความขุดมัวเศร้าหมองร่าร้อนปรากฏดืวยความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เห็นได้ชัดในขณะนั้นๆ ตามความรุนแรงของกิเลสเพราะคิดที่จะทำลายแต่วหลักการของพระพุทธศาสนานั้นการจะทำลายกิเลสก็ต้องสืบสาวไปถึงที่มาของเหตุเหล่านั้นให้ได้เสียก่อนก็สอนนักศึกษาถึงที่มาของกิเลสเหล่านั้นว่าเมื่อก่อนนั้นแกไม่เกิดแต่ขณะนี้แกเกิดขึ้นพราะันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเมื่อศึกษาถึงเหตุที่มาแล้วก็ศึกษาถึงวิธีที่จะสงบระงับจนถึงกระดับไปของสิ่งเหล่านั้นจะทำอย่างไรแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็ดับก็โดยปกติในชีวิตประจำวันของเราเองกิเลสมันก็เกิดมันก็ดับสึกความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายไป ต่อไปอาจจะเป็นกุศลหรืออาจจะเป็นอกุศลข้ออื่น <c oughs> เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแสดงว่าเขาก็มีความเกิดความดับแต่วาการศึกษาในช่วงต่อมานั้นต้องการที่จะตัดวางทุกให้เป็นการถาวรหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทุกน้อยลงหรือทิ้งที่ความทุกจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นในน้อยลง ก็ให้ศึกษาถึงว่ากิเลส ท, ที่ดับไปแล้วนั้นทำอย่างไรจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ศึกษาถึงวิธีเหล่านั้นเป็นการสอนตามโครงสร้างของนิวรนาปภะคือหมวดที่ว่าโดยนิวรน็นหมวดที่น้ว่าโดยนิวรนนั้นก็ยกอนิวรนทั้ง5ประการทุกๆข้อขึ้นมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังกล่าวนั้นทีนี้ในส่วนที่เป็นกลางกลานั้น เึงสังเกตว่ามันก็มีอยู่ในที่ต่างๆตังต้งแต่ที่กายไปแล้วโดยเฉพาะพวกกลุ่มกายทั้งหมดนั้นก็คือกลางๆเมื่อจะเอามามองลมหายใจเข้าออกหรือมองการยืนเดินนั่งนอนหรือว่ามองยืนเดินนั่งนอนหรือเรียบบทย่อยทั้งหลายถ้าเราถึงแยกออกไปเป็นธาตุทั้งสี่ก็ตีน้ำหลงไฟหรือมองแยกออกไปเป็นอาการ32สองมีผมเป็นต้น มีมันสมองเป็นที่สุดหรือแม้แต่นำไปมองในแนของป่าชาทั้งก้าประการคือมองซากศพที่ปรากฏในขณะนั้นๆเมื่อกเราโดยสรุปแล้วรูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นตัวตนของเรา ชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่การปลนปลือมสนุนถนอมดูแลบำรุงรักษาชำระขัดสีตกแต่งประดับประดาตลอดถึงรักษาพยาบาลอยู่ที่รูปความมุ่งหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเกี่ยวข้องอยู่กับรูปมุ่งปลนปลือมบำรุงบำรุงบำเรอรูปพรานัน ก, ก็ปรารถนาที่จะรูปอตอนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นในทางที่เราต้องการ แต่คาจริงรูปมันก็คือรูปมันก็เป็นไปาตามสถานะของมันเพราะการนําพวกเหล่านี้มาศึกษาก็คือศึกษาในแนวของประจัยลักนคือมองเห็นถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมองในช่วงยาวๆฉันมองแก่เจ็บตายหรือมองในช่วงสั้นๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะที่กระชั้นที่ยิบ ก็เพื่อจิตใจของบุคคลจะสามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเดล่านั้นลงไปอย่างน้อยก็มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงหรือมีความรู้เท่าทันแม้จะเกิดยึดมั่นถือมั่นไปแล้วแต่ก็ปล่อยวางได้เมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยวางเพราะเมื่อเราโดยสรุปแล้วสับประทุขทั้งมวลที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้น เกิดขึ้ น, นการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าในความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราดังกล่าวแล้วโพวลนี้ก็อยู่กระจายอยู่ในที่หนึ่งในส่วนของกุศลธรรมนั้นบึงสังเกตว่าจะมีวิธีการสอนโดยนัยาต่างๆเป็นการชี้ถึงสภาวะของกุศลธรรมนั้นๆ แต่ผลที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นนั้นจะมีศรัทธาเกิดขึ้นจิตเป็นยังไงมีความเพียรเกิดขึ้นจิตเป็นยังไงมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นจิตมันเป็นยังไงแล้วก็แสดงถึงผลอานิสงส์ที่ได้ในช่วงต่อมาและช่วงต่อไปตลอดถึงในภพชาติหน้าที่เราพูดเรื่องบา ร, รมีกันส่าสาวจนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ า, ววาพวกบา ร, รมีนั้นคือพวกกลุ่มกุศลธรรม มีทานมีศีลมีการออกบวชมีปัญญามีขันติมีสัจจะมีอติฐานมีเมตามีเบคามีวิริยะอะไรท่ไหนคือแต่ละข้อแต่ละข้อที่จริงก็คือกุศลในกรณีที่เป็นบารมีซึ่งเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อถึงจุดที่เขาเข้าถึงความสมบูรณ์คนเหล่านั้นก็จะมี อุปนิสัยบารมีแก่ก้าบเรียกว่าบารมีเต็มอาจจะมองอะไรก็ได้เห็นอะไรก็ได้สำหรับคนที่มีบารมีเต็มแล้วก็พร้อมที่จะรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่คนที่มีบารมีแก่ก้าจริงๆนั้นจะสามารถหาประโยชน์ได้ทั้งจากสิ่งที่เป็นอกุศลจากสิ่งที่เป็นกุศลและจากสิ่งที่เป็นกลางกลาคือหาได้ทั้งสามประเภท แต่บา ร, รมีอาจจะลดหย่อนลงมาก็อาจจะหาได้เฉพาะบางประเภทนั่นตัวอย่างพระญาบุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นพระและเป็นฆราวาสก็ที่จริงแล้วก็เป็นฆราวาสมาก่อนแรงผลักดันที่ให้ท่านได้ออกบวชก็ดีบรรลุมรรคผลก็ดีนั้นจะมีความแตกต่างกันจะสรุปแล้วก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็ธรรมะที่เป็นกลาง ขาอนี้นี่เพิ่งสังเกตตัวอย่างง่ายๆที่เรื่องราวที่เราคุ้นเคยกันเช่นประปัญจวัคคีนั้นบรรุมคคเป็นประหันเพราะศึกษาเรื่องขันทั้งห้าประ ก, การันทั้งหประการ น, นั้นก็เป็นธรรมะทั้งสามกลุ่มคือพวกกายพวกเวทนาพวกวิญญาณและพวกสัญญาเนี่ย ตัวเขาเองเขาเป็นกลางๆแต่ว่าสิ่งที่เขาเสวยหรือสิ่งที่เขาจําหรือสิ่งที่เขารู้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานาการณ์จริงๆนั้นสังขารก็เป็นได้ทั้งสามอย่างพอ ม, มาถึงพวกพระยาศศัสดพ่อแม่พัญยาเก่าของพระยาศศัส์หายของพระยาศศัชุดแรกสี่คนชุดที่สองหาสิคนตลอดถึงท่านพัทตะวคีอีกส0สิคน แต่แม้แต่พวกพระเจ้าพิมพิาสารนักบริวารทั้งหลายท่านเหล่านี้จะมีการศึกษาทั้งสองประการต่ตอนแรกจะศึกษาไปในแนวของกุศลธรรมคือศึกษาเรื่องทานเรื่องศีลทานศีลก็เป็นกุศลธรรมสวรรค์นั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลธรรมหรือการมีกุศลธรรมอยู่ภายในใจ พอถึงเน่ข้มาในสงปะ์ปะพบปกามาธินกคือโทษของกามก็เป็นการศึกษาถึงสภาวะของทุกขสัตว์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจชอบใจของบุคคลทั้งหลายซึ่งก็มีอยู่ในโลกนี้แม้ว่าวัตถุกรรมนั้นจะเป็นทิพย์คือรูปเสียง ก, ย ล, กลิ่นรสถูกตภอไแล่านั้นจะเป็นทิพย์ก็ตามแล้ว ก, ก็จริงแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือมีโทษ มีความทุกข์เกี่ยวข้องอยู่ตลอดตลอดทั้งในขมาใิสงฆ์อันนสงฆ์ก็การออกจากกรรมแล้วก็เป็นการแสดงในแนวของนิโรธคือตัวคนแต่นั้นก็จะไปเข้าอริยรสัจลักษณะของธรรมะ ก, ก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มของพวกอริยสัจแต่การแสดงนั้นบางครั้งก็จะนั่งแสดงโดยละเอียดปิสถาน อย่าในกรณีของขัน5้าพึสังเกตว่าจะแสดงพิสดารเพราะอะไรเพราะแสดงในรูปของกรรมฐานปริมาณของธรรมะสามประการคือความเพียนสติและสมัมมาจัญญาของบุคคลจะต้องเป็นไปอย่างแก่กร้าและก็ต่อเนื่องเพราะทําไมอย่างนั้นจะระลึกรู้ไม่ทัน ซึ่งในภาคปฏิบัติเวลาปฏิบัติธรรมะเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าบางขณะเราก็เผลอหายไปเลยคือลืมหรือกระโดดข้ามไปเลยเป็นต้นบางการศึกษาท่านจึงสอนให้ศึกษาทั้ง3มช่วงคือช่วงที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ย้อนก็ไปสู่อดีตของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มองไปที่อนาคตของสิ่งเหล่านั้นก็แล้วแต่จะเป็นอะไรถ้าเป็นอคูศลก็มองการดับ อย่างทาวรเป็นเป้าหมายถ้าเป็นกุศลก็มองความสมบูรณ์ของกุศลเหล่านั้นเป็นเป้าหมายเพราะพอถึงกุศลธรรมก็ที่จริงก็มีการจําแนกแสดงเอาไว้ในหมวดของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้โดยหลายวิธีด้ยวยกันวิธีหนึ่งก็คือวิธีแนวพุทธชงวิธีที่2ก็คือแนวของมักสัตย์และก็แนวของ นิโรธสั์ทั้งหมดนั้นเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงกุศลธรรมเหล่านั้นที่ปรากฏแก่จิตของตนเพราะในชั้นนี้เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูของคนอื่นแล้วก็มาดูที่จิตตัวเองเป็นประการสาคัญประการต่อไปจึงเป็นวิญญาณขันแต่แกลกองแห่งวิญญาณคำว่าวิญญาณนี้ออกจะเป็นภาษาที่มีปัญหา คือชาวบ้านกับพระนั้นใล้ๆกับผู้คนเรื่องเพราะสิ่งที่พระพูดนั้นหมายถึงอีกอย่างหนึ่งแต่ที่ชาวบ้านพูดนั้นหมายถึงอีกอย่างหนึ่งบางคราวมางคราวเราก็ติดต่อกันไม่เกิดความเข้าใจกันเกิดเข้าใจไม่ตรงกันและคาเหล่านี้มีอยู่เป็นนันมากที่พูดไปแล้วก็ปรากฏว่าสื่อกันไม่ได้เช่นคำโมโหถ้าภาษาพระหมายถึงความหลง แต่ภาษาชาวบ้านหมายถึงความโกรธคือไปกับคนละเรื่องแต่ที่จริงก็ต่อเนื่องถึงกันนะการที่เราโกรธก็เพราะเราหลงการที่เรายังมีความหลงนั่นเองก็ทาให้เรามีความโกรธเพราะถ้าเราไม่มีความหลงความโกรธมันก็หมดไปแล่ในภาคของการปฏิบัติแล้วความโกรธก็หมดไปก่อนความหลงความหลงก็เป็นรากงาวเป็นต้นข้าวข้าวสับปะรดทั้งหลาย เรื่องวิญญาณก็มีลักษณะอย่างนั้นคือในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านแล้วมักจะหมายถึงสิ่งซึ่งเราไม่เห็นตัวตนแล้วก็มาหลอกมาหลอนไปเที่ยวไปในที่ต่างๆเ้าวสิงในบุคคลนั้นคนนี้คนโน้อนอะไรแต่ไหคือชาวบ้านมักจะมองแยกกันแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าวิญญาณ ท่านเรียกไปตามฐานะของสิ่งเหียดนั้นผูุษาณาไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ท่านเรียกไปตามสถานะของสิ่งเดียดนั้นอย่างนี้ปรากฏนั้นอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายหรืออาจจะเป็นเทพเป็นเทพก็เป็นเทพระดับระดับหนึ่งนั่นก็เป็นรายละเอียดที่ว่ากันไปในกรณีนั้นๆแต่ที่จริงท่านเหล่านั้นไม่ใช่วิญญาณท่านเหล่านั้นคือขันห้า ทมีทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารแล้วก็ทั้งวิญญาณครบแต่วิญญาณก็เกาะอิงอยู่กับขันธ์ห้าวิ ญ, ญาณที่พึงประสงค์จริงๆมันต้องเกาะอิงอยู่ขันธ์หเพราะวิญญาณมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดมาไม่ได้ภาษาที่ท่านใช้เรียกว่าวิญญาณซึ่งปรากฏแพร่หลายแล้วก็รับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่นักศึกษาธรรมะทางศาสนาก็คือวิญญาณขันธ์ ที่จริงถ้านับตั้งแต่ต้นแล้วต้องเอาปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่มาถือปฏิสนธิในกําเนิดต่างๆอย่างมนุษย์ก็มาถือปฏิสนธิในรันของมารดามารดาอยู่ในพบภูมิใดหรือว่าตัวเองไปถือปฏิสนธิในพบภูมิใดพบภูมินั้นก็กลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณท่านเรียกสถานที่เหล่านั้น คือสถานะนั้นๆว่าวิญญาณทิติแปลว่าที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ดำรงอยู่ของวิญญาณตลอดทั้งที่จเจริญเติบโตของวิญญาณแต่การที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าภายในจิตใจในตัวคนแต่ละคนนั้นมีวิญญาณธาตุคือเชื้อของความรู้อยู่ส่วนจะหยาบรายละเอียดนั้นก็เป็นรายละเอียด เตอเชื้อของความรู้นั้นจะมีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายมากฝังน้อยบ้างตามพื้นฐานวั ส, สนาบา ร, รมีของบุคคลเห่นั้นแล้วก็เป็นวิถีวิญญาณหรือวิญญาณนักขันวิญญาณนักขันก็คือกองของวิญญาณที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสเรารับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวแล้วก็สิ่งที่เป็นอารมณ์เพราะวิญญาณวิธีวิญญาณจึงมีหกประเภทตามที่เกิดนะฮะแต่วิญญาณนี้เมื่อศึกษาไปในรายละเอียดเราก็จะพบว่าครั้งแรกนั้นจะ ครั้งแรกที่ได้เห็นได้ยินได้สุดลมได้ริมได้จับต้องมันจะเกิดเป็นโมหะคือความไม่รู้ก่อนอย่างรองสังเกตในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามีอยู่อยู่บ่อย ร, รูปบางรูปเสียงบางเสียงกลิ่นบางกลิ่นรถบางรถสัมผัสบางอย่างที่เราจับที่เราสัมผัสครั้งแรกคือจับต้องครั้งแรกเห็นครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสุ ด, ดลมครั้งแรกริมครั้งแรกแล้วก็จับต้องครั้งแรกนั้นมันเกิดเป็นอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไร ลักษณะของอวิชชาต่อไปเขาก็แตกออกมาเป็นวิจิจิชาคือความเครือบแคลงสงสัยเพราะรูปบางรูปก็ทำให้เราดูแล้วดูอีกพลิกไปพริกมาก็ดูกันจนเกิดความรู้หรือไม่รู้ก็ต้องไปสอบถามให้รู้ก็ไปหาความรู้เอาแต่ในชั้นแรก จ, จริงๆขณะจิตแรกจริงๆนั้นเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แม้เสียงกลิ่นรสโผฏภะก็มีลักษณะอย่างนั้น แต่การเรียนรู้ของเราคือสิ่งที่เราไม่รู้มาเลยเนี่ยเป็นโมหะอยู่เกิดอยู่ทุกขณะที่สัมผัสรูปบางชนิดมันก็เริ่มต้นที่อภิ ช, ชามาก่อนแต่ในการต่อไปนั้นเนื่องจากอายุเราก็มีประสบการณ์ต่างๆในโลกอยู่แยะสิ่งทั้งหลายที่เราประสบในชีวิตประจําวันของเรา ปัญญาก็จะออกมาในสมลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือรู้ลักษณะที่สองก็คือไม่รู้ลักษณะที่สามก็คือครับใครคร่าไม่เชิงรู้ไม่เชิงไม่รู้เราจะเห็นว่าตัวรู้นั้นก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรามาก่อนแล้วเราก็จํามาไว้เป็นสัญญาขัน คือกองแห่งสัญญาที่เราจำเอาไว้ดังนั้นแม้สิ่งบางอย่างที่เคยผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้จําไว้เจอทีหลังก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราเรียกว่าจําไม่ได้ลืมไปแล้วแสดงว่าสัญญาบรรดับไปแต่วิญญาณก็เกิดแล้วเวทนาก็เกิดแล้วเพียงแต่วสัญญามันเกิดดับแล้วแต่ก่อนนั้นที่จริงก็เคยยินดียินรายมาแล้วหมายความว่ามันเกิดสังขารแล้ว ในกระบวนการตั้งคันนักขันั้งห้านั้นก็ครบของเขาแล้วคราวนั้นแต่พอดีมันลืมฮะลืมมันก็กลายเป็นสัญญาดับสัญญาดับวิญญาณมันก็กลับสู่อวิชชาเหมือนเดิมคือสู่ความไม่รู้เหมือนเดิมคล้ายคลานั้นค่อดไปทางวิจิกจชาก็เป็นอาการของอวิชชาหรือไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวสัมผัสในขณะนั้นนั้น เพราะ่นทั้งหลายจะสังเกตว่าอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะออกมาในในสมลักษณะอย่างนีน้ทีนี้ในตัวรู้นี่แหละในตัวรู้มันจะกระจายตัวเองเออกไปอีกทีหนึ่งชอบไม่ชอบหรือเฉยเยมาความว่าทั้งสมอารมณ์นั้นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆตัวสัญญาคือความทรงจําในถึงเดอร์นั้นยังมีอยู่ ก็ทำให้เวทนาคือการเคยสวยอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขเป็นความทุกข์หรือเฉยๆมันก็เคยมีอยู่ก็ยังมีอยู่พวกนี้ก็เกิดขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นๆที่เราเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือสัญญากับเวทนาก็ขึ้นปรุงจิตก็วินิจฉัยอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็ก่อให้เกิดเป็นความพอใจความไม่พอใจหรือความรู้สึกเฉยๆ ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกแต่ก่อนวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอาจจะหลายหลายปีก่อนก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นชาติก่อนซึ่งกรณีท่านศาสตรสุดทรหลายหลองสังเกตว่ารูปบางรูปหรือคนบางคนที่เราเห็นเขาครั้งแรกมันก็น่าจะเป็นอวิชชาคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันก็เป็นอวิชชาอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งออกมาในรูปของความยินดียิ น, ยนรัย คือคนบางคนเรารู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยรู้สึกชอบเรอยากจะเป็นมิตรด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเรานั้นแสดงให้เห็นถึงสัญญาณในอนดีตชาติไม่ใช่อดีตการปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องของอดีตชาติตีตะเนียกว่าปุเพกตะบุญญาตาคือมีบุญที่กระทำร่วมกันในการก่อนยอีกอย่างหนึ่งว่าปุเพสันนิวาตคืเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อน แต่การร่วมกันในการก่อดมนก็เหมือนการอยู่ร่วมในปัจจุบันคนเราอยู่ร่วมกันในสามสถานะนะเป็นมิตรเป็นศัตรูแล้วก็เฉยๆเราอยู่ร่วมกันสามอย่างนั่นเองแต่ความรู้สึกเป็นมิตรเป็นศัตรูแล้วก็เฉยๆเพราะเมื่อเจอกับคนบางคนที่มันเป็นอวิชาติแบบเราคือเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่ว่าในส่วนหนึ่งนั้นอาศัยอิทธิพลความรู้สึกนึกคิดจากอดีตชาติ เกิดเป็นความรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกชอบขึ้นมาทั้งท่านที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกุศลและกุศลที่บุคคลเหล่านั้นกระทาร่วมกันมาในชาติปังก่อนคือความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นศัตรูซึ่งเก็บสะสมไว้ในพบชาติปังก่อนบันก็แสดงออกมาเพราะสัญญาในอดีตจึงย้อนเข้าไปสู่อดีตได้อดีตไกลๆจนข้ามพบคำชาติในเรื่องชาดกทั้งหลายที่ พระเจ้านำมาแสดงแก่ภิกษุสงฆเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่พระเจ้าจะย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตให้ดูว่าที่จริงมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวแต่แม้ในชาติก่อนชาตินี้นชาตินี้ก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนั้นในความรู้สึกที่เราประสบโดยเฉพาะคือตัวตัวที่เรารู้จักว่าเขาเป็นใครหรือไม่เป็นใคร เมื่อก่อให้เกิดเป็นความยินดีหรือความไม่พอใจเรียกว่ายินดียินร้ายท่านใช้คําว่ายินดียินร้ายส่วนมากจะใช้สองคำเขาเรียกอิทธารม์กับอนิธารมณ์อิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าคลายน่าพอใจอนิธารมณ์ก็คือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่การที่เราวินิจฉัยได้ที่จริงมันเกิดขึ้นจากสัญญาคือความจําแล้วก็เวทนาคือการเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นมาก่อนเช่นสมมุติเราเห็นอาหารเนี่ยนะ เห็นอาหารบางอย่างเกิดอยากกิ น, นบางอย่างก็ไม่อยากกินบางอย่างก็เฉยๆนี่แสดงว่าอาหารที่เราอยากรับประทานนั้นแสดงว่ามันอร่อยสมหรับเราก็ดีสมหับเราถูกกระทาขันของเราชอบอาหารบางอย่างเคยทำเอาท้องไส้ปั่นปูดไปหมดเลยพอเห็นมันก็เกิดรังเกียจนะครไม่ยอมรับประทาน อาหารบางอย่างเราก็เห็นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะก็กินไปให้หนักหนักท้องก็ได้อิ่มก็ท่นนั้นเองถึอไม่ถึงกินได้ยินได้แต่ที่จริงอาหารเหล่านั้นเราก็เคยทานมาเคยผ่านแล้วก็เก็บเป็นสัญญาเป็นเวทนากระในเรื่องของเวทนาขันนั้นในเรื่องของวิญญาณขันนั้นพระเจ้าทรงสอนโดยโครงสร้างเดียวกับขันข้ออื่นกันที่ว่ามาแล้ว นี่ตัววิญญาณนี้ความเกิดของวิญญาณนีความดับของวิญญาณคือรู้สามช่วงเนี่ยรู้อาการที่ปรากฏในปัจจุบันวันนี้คือวิญญาณอะไรจักรวิญญาณความรู้ทางตาสตะวิญญาณความรู้ทางหูคณะวิญญาณความรู้ทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายยวิญญาณความรู้ทางกายแล้วก็มโนวิญญาณความรู้ทางใจมันก็มีหกอย่างก็รู้ตามวิญญาณนั้น ที่ปรากฏในขณะนั้นๆแล้วก็ศึกษาต่อไปว่าตัววิญญาณความเกิดของวิญญาณก็คือวิญญาณที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างนี้บอกไว้ในตอนต้นว่าวิญญาณทุกวิญญาณที่ว่าไว้คือสชื่อนี่มันเกิดขึ้นมาโดยลําพังไม่ได้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตของบุคคลให้เป็นไปในสาม สามชุดจากที่ว่าไปแล้วในตอนต้นคือในครั้งแรกก็จะไม่รู้ในครั้งที่สองก็รู้หรือคร้ายๆรับผาหลีกระดับหนึ่งก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมาแล้วมันก็กลายเป็นยินดีน ย, นยินร้ายหรือว่าเฉยๆ ก็ตามการกําหนดอารมณ์ที่ปรากฏการเกิดขึ้นของวิญญาณในแต่ละขณะนั้นเราจะให้เกิดก็ได้จะไม่เกิดก็ได้เช่นสมมติว่ารูปบางอย่างดูแล้วมันสมัยไม่สบายตาไม่สบายใจเราก็ไม่ให้เกิดจากกุญญาณหรือความรู้รูปเหล่านั้นใดกูอยู่ที่เรานะฮะไม่ได้อยู่ที่เขา แต่ว่าเราไปคิดว่าอยู่ที่เขาไม่ได้คิดว่าอยู่ที่เราเพราะงั้นคนจะเดือดร้อนเพราะเรื่องต่างๆคนบางคนเพื่อนบ้านทะเลาะ ก, กันก็เดือดร้อนเสียงรถดังก็เดือดร้อนมีอะไรเกิดขึ้นก็เดือดร้อนมันออกมาจากข้างนอกถ้าเราไม่รับรู้มันไม่มีอะไรจริงตอนนั้นก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของเขา แต่การที่เราไปรู้สึกว่ามันผูกพันเกี่ยวข้องกับเราจนเราเดือดร้อนนอนไม่หับเนี่ยพอเราไปคว้าจับมาแล้วก็ไปยึดเอาไว้ไปให้มันเกี่ยวข้องกับเราทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่เป็นเรื่องของเขาเช่นมีเสียงคนเมาเหล้าดังอยู่หน้าบ้านทางถนนหน้าบ้านมันก็เรื่องของคนเมาอ่ะเราก็หยุด เราก็ไม่ ป, ปรุงคิดคิดปรุงไม่ไปรับรู้อะไรเรื่องคนเมาเราไม่เกี่ยวเราก็มีหน้าที่นอนก็นอนมีหน้าที่ทํางานก็ทํางานไว้พระก็ไว้พระไปไม่ได้เกี่ยวกันแต่ที่มันเกิดวิญญาณเพราะเราเราเข้าไปเกี่ยวเคยเราสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเราเราเข้าไปเกี่ยวเข้ามันก็เกิดเป็นวิญญาณ น, ะนั่นเองอย่างรูปที่ผ่านมาทางจากัก ร, รุประสาทนะครับประอปัสาวะตานะ จริงๆมันผ่านไปผ่านมานี่แยอะลืกันเพียงแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจหรืออยู่นอกวิสัยอยู่นอกวิสัยมายความมารูปใกล้ๆกันในขณะนี้ก็มีรูปเต็มไปหมดเลยในอากาศทุกสัดส่วนนั้นจะมีรูปเต็มไปหมดแต่มันนอกวิสัยที่เราจะเห็นมันเป็นวิสัยของโทรทัศน์บ้างเป็นวิสัยของทิพยจักรุบ้างรูปเหล่านั้นมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเราทั้งๆ ท, ที่เขามีอยู่เต็มหน้าเราเนี่ย แต่เขาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเราเพราะอะไรเพราะเราไม่รับรู้เนื่องจากมันอยู่นอกวิสัยของเราที่จะไปรับรู้อีกอย่างหนึ่งนั้นคือรูปที่เราไม่สนใจคือการจะเกิดเป็นความรู้รูปขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งที่เป็นร่างกายและเป็นจิตใจประการแรกก็คือเราต้องมีจักรปรรสทที่ยังไม่พิการ การที่สองก็ต้องมีแสงสว่างซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะเห็นรูปได้นะฮะแม้รูปปรากฏแต่อยู่ในที่มืดแล้วก็อย่างที่รู้เราก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะงั้นท่านเรียกว่าอาโลกะคือมีแสงสว่างแล้วก็สมรูปนั้นจะต้องอยู่ในวิสัยวิสัยที่ตาจะเห็นได้ไม่ใช่ไกลลิบหรือว่าละเอียดยิบเราก็ไม่ไม่เห็นเหมือนกันหรือว่าชนตาเลยมันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าเห็นก็เห็นดาว มันก็เอาแท่มีช่องว่างให้เราเหนรูปนั้นแล้วก็มีแสงสว่างแต่เอาก็จริงแล้วแม้จะครบทั้งสมอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่เห็นรูปอยู่นัานๆนะยังไม่รู้ว่ารูปอะไรนะก็อันตรีเห็นผ่านแป๊บแปบไปแป๊บมานั่นต้องมีมานาุสิการือความใส่ายใสใจความสนใจจึงเกิดรูปขึ้นมาได้นี่ก็คือเหตุปัจจัยที่เป็นการมองในกระบวนการของเหตุปัจจัยซึ่ง มีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาพิจารณาอีกมากตวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสสืบต่อไป